ในน ก, การประชุมการเมนิจึงเป็นหัว่า้าเป็นที่สร้างแห่งความไม่เกลี่ยเป็นที่สร้างแห่งความเทุกเดอนให้รวมประชุมเมื่อประชุมกันนะครบียงกันตุเมื่อเราประชุมกันตีอยงกันได้และถ้ีอย่างกันทำผิที่สูงจะต้องทในสิ่ง น, นั้น ให้กำเนิดควาคลอนตันอยางจะมีอิทสงฆ์อะไรอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคลอนกันคนน้อยๆพูดง่ายเลยว่าการเลือกจากการมีวตให้คนหนึ่งเอาแตผลตเทะไอ้คนวดโสดอ้คนเก็บอันหนึ่งนะเพาะนั่นแหละคนจะขึ้นจะขึ้นมันจะพลละมันก็น้อยลย มันก็จะกระโดดไ้ถ้าเราต่างค น, นต่างหนีไปของน้อยมันก็มากควรที่จะต้องทําเจ็จสัปดาทีทำตั้งสามสิบนาทีเป็นเจ็ดจะนั่นงกันยังไงครับเพียงกันไปจุ่มพอแล้วห้าวันโดยปกติที่ห้าวันพวกเราทางไหนมันกะจุ่มกันคืนพอ จดที่าศ ก, การไปคุมกันเมืองยิบเนี่ยพร้อมแต่ถึงปวดไม่ใช่การคุกคลีกันเมืองยิดการไปคุมกันเมืองนิดกับการคุกคลีกันเมืองยิดนี่มันต่างกันการคุกคลีกันเมืองนิบมันทําลายไม่ว่าลุ่มไหนไปช่าเถอะถ้าคุกคลีกันเมืองยิบเดี๋ยวทำลายทําลายหลายอย่าง ซึ่งจัดโดยข้อใหญ่ใหญ่ความว่าไม่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเรื่องคุกรีกันเนืองนิดไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นดีนายไม่ใช่เป็นคำสอนของสถาพรส์ดังนั้นกาในกลุ่มใดคุกรีกันเนืองนิดมันจึงไม่เจริญเฉื่อมมันถึงเฉื่อบให้เข้าใจการประชุมกันเนืองนิด รับการคุกครีกันเนืองนิดนี้มันคนละอย่างกันให้เข้าใจโดยมากมันชอบอยากจะเป็นการคุกคีกันเนืองนิดเพราะว่ามันเป็นไอคิริยของคนมันชอบไหลไปในที่นั่นไปชอบเล่นไปชอบพูษสิ่งที่ไม่เป็นสาระตามคิริยตัญหาของมนุษย์เราพูดเล่นพูดเล่น โทษสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแล้วมันก็สนุกกันไอคนเรามื่อนิจจิอยู่แล้วแล้วไปพูดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นสาระมันได้เกิดสนุกทั้งทั้งที่มันไม่ควรมันก็สนุกทั้งทั้งมันผิดมันก็สนุกในความสนุกสนานขึ้นพับผมแล้วก็ดูตัว าการคุกทีกันยิ่งยืดมีเหตุเกี่ยงมากหนึ่งพระเนรไม่เคารพ ก, กันพระเนรไม่คอยเคารพ ก, กันลองดูก็ได้ผลมันเกิดขึ้นมาเลยไม่เคารพเมื่อความไม่เคารพเกถถิดขึ้นมานั่นมันจะมีอะไรไหมเมื่อความไม่เคารพเกถถิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปแเนี่ยิด อันนี้สันติงว่าการคุกครีกันนี้พระพุทธองค์สันติงสอนว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นดีนายไม่เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาส่วนนี้ควรละไม่ควรปฏิวัติตามควรเลิกนี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประชุมกันเนืองนิดเช่นว่าการประชุมกันวันนี้เพื่อทำจากกลับ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 นวะว่าโอวา่าคือเป็นโอวาทเป็นคําสอนของผู้ใหม่จะต้องดูตรงนั้นมันเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจให้รู้เรื่องเมื่อเราเข้าใจภาษาไทยกัอ่านแล้วจะรู้เรื่องภาษามคตว่าในพระปฏิโมกข์มีอะไรบ้างคนที่สนใจจะต้องเป็นหนุ่มอย่างนี้ อันนี้ต้องสนใจสิดคาบทอันร้ายที่เรายังไม่เข้าใจต้องใส่ถามให้เข้าใจในสิดคาบทั้นั้นสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ไม่ศึกษาไม่ใส่ถามไม่พิจารณาเรียกว่าเราไม่เอาใจใส่การไม่เอาใจใส่นั่นเรียกว่าการที่ไม่เรียกวเพื่อต่อทำดีในคิด ใช่ไหมเออเพื่อต่อพระวินยัยคิดจะตีว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องพยายามถามจะต้องพยาพย า, ามเปียนมันมีลำดับตํารานี่ผู้ที่เพื่อเพื่อในหลักพระธรรมวินัยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องหาโอกาสที่จะต้องพย า, าพยามอานพยายามศึกษาโดยตนเอง อะไรสงสัยจำไว้เรียนถามครูบาอาจารย์ตรงนี้หมายความว่าอะไรมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนี่เรียกว่าผู้เป็นประมาทที่ผู้ประมาทนั่นก็เรียกว่าแสดงพระปาติโมกข์ก็นั่งฟังเป็นภาษามคธไม่เข้าใจก็ไม่ใจถามไม่เอื้อเพื่อ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 มันในโค้งตัวฉะนั้นการประชุมกันึน่งนิดมี้เกิดประโยชน์มากในครั้งพุทธกาลวันอุโมสถมีพระมหากัตปะเป็นประธานเป็นตัวอย่างถึงแม้ท่านจะอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพอยยามเดินผ่านแดด ผ่านพ้นผ่านโคนผานตมเป็นผู้กระรบเพื่อจะมุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันนี้ให้มันจเจริญที่เรียกว่าปาติโมกที่เรว่ามันประชุมกันเมืองนิดนี่ให้มันจเจริญเจริญขึ้นเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชมุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิก มันมีเป็นประโยชน์ทั้งสมณะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายเทระวะฉะนั้นธรรมะข้อนี้คําสอนข้อนี้สจึงว่ามันเป็นคำที่เจริญไม่เทียงตามเป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นปริญติควรศึกษาจะไปถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาจะต้องใส่คำถาม จะต้องเอือเฟื้อทำไมเอือเฟื้อเป็นนวัตเป็นนวัตทุกกฎมันคือเพื่อแต่เรื่องมันเป็นนวัตทุกกฎก็จริงหรือแต่ว่าเฉพาะที่ว่าไม่เอู่เพื่อไม่เอาใจใส่เป็นนวัตทุกกฎถ้าเราทํทาผิดพลาดไปจนเป็นประชิกงานเพราไม่รู้จักไม่อยู่เพื้ อ, อ อันนี้มันเป็นเหตุอย่างรง้ายแรงฉะนันการกระทํากันวันนี้เบียกดบัอทํ า, าทตามการตามสมัยที่นี่ผมเลยมาอยู่นี่เช่นว่าวัดต่างๆเช่นว่าวัดบ้านน้องโกซึ่งเขาสบายนีผมจึงกระทับญาติโยมเพราะว่าวัดบ้านน้องโกเนะ่้มันอยู่ห่างไกลจากวัดน้องปะปุง แต่ว่ามันก็มีทางสะดวกบอกหญาติโยมผู้ประชาธถ้ยยาอยากจะได้พระเอาไปแล้ววันอุโบสถต้องหาญานภาหนักมาส่งพรมาทําอุโบสถกันมันพอที่จะมาได้ไม่ใช่มันขัดข้องอะไรมากมายก็มารวมกันเมื่อมารวมกัน1ิบห้าวัน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 ได้ฟังได้ฟังแล้วก็เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ทําถูกต้องกันหรือทำงานจเจวลานั้นเอาตอนนั้นเวิรานี้เอาตอนนี้ในที่ประชุมตกลมกันเมื่อไปทํากันมันก็ตกอมกันอืมอรอมกันเมื่อเราไม่มาประชุมอ่ะคนที่มาประชุมบังไม่มาประชุมไม่รู้เรื่องกัน งาปฏิบัติมันก็แยกกันไอ้คนนี้ทำคนนั้นไม่ทำาในวุ่นไปเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งความียงถ้าเราขาดการประชุมการนี้มีพระมหากกษตรเถร ะ, ระองค์ใหญ่เป็นประธานท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการามโโทมอุโบสถนี้นอกจากนั้นก็ยังได้ไปเข้าใจ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 งานมาทีหลังเรื่องมันตรงนี่คือเรื่องจิตของตงนี้เมื่อจิตของตรงเกิดขึ้นจิตของเราข้างอยู่คือเราเหยีบดผ้าเป็นส่วนตัวของเราเมื่อถึงคราวนั้นพร้อมกันกวาดมั้ยหรือพร้อมกันตักน้ำหรือพร้อมกันทําอะไรเป็ น, ปนจิตตรงนี้ จิตส่วนของเรานะเอาไว้ก่อนวางไว้เอาไว้นะี่ยต้องช่วยกันทําจิตสมัยเรียบร้อยก่อนนี่จริงจริงต้ําอัดมากเป็นพระนาทีของพวกเราที่จะพร้อมกันตามสีกันจะไปแยกจากวัตถุพงหรืออยู่ที่ไหนประจามทีเอะคนเราถ้าไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้สังคมกัน มันก็ห่างไปดรห่างไปด่เหมือนมีดของเราไม่เคยจะได้รับมันก็เกิดสนิมเทานั้นเนี่ยนานๆไปนานๆไปก็ไม่อยากาาายใกล้รครูบาอาจารย์เมื่อใกลครูบาอาจารย์ไปเท่าไรยิ่งทําตามอำนาจใจของเรารู้อยู่ก็ต้องทําทําไปทําไปมันมีความผิดในใจของเราอยู่ก็ยิ่งเคพื่อมความรู้สึกขึ้นมาก ี่จะไปรวมสูงที่ประพฤติดีประพฤติชอบเราไม่ไม่อยากจะไปจะต้องหาเรื่องดีอะไรอันนี้นนนคิดได้อกลัวกลัวครูบาอาจารย์กลัวสงฆ์จะยกข้อนั่นขึ้นมาในสูงยิ่งกลัวยิ่งไร้กั ว, วออกจากความดีจากพระธรรมใ น, านาลันก็อายไปดีเมื่อบาปมันชอบเอามาฟาดเลยก็ไม่ไดีเรื่องจะออกไปจากเพื่อน ออกไปแล้วก็ได้เกิดเป็นสังคมมณีเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนออกไ ป, ไปเต็มได้นะในแค่นั้นการประชุมกันเมืองนี้ที่เกิดประโยชน์มากแคะนั้นพวกเราตั้งหลายจึงตั้งอันนี้มาช่วยกันบำรุงอันนี้นขึ้นทุกคนที่เิฉนวัดกอน้อง วัดน้องโกถ้าหากว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นไปต้องพยายามมาอบรมเพื่อเรารเพื่อครูบาอาจารย์จะสั่งสอนจะพูดอะไรให้มันรู้เรื่องกันทีนี้นี่เดียวกาการประชุมกันนืงนิดมีประโยชน์อะไรที่ยังไม่ถูกต้องเราควรแก้ให้มันถูกต้อง อะไรที่มันผิดในดูเรื่องเราจะรู้จักความผิดนั้นดีทั้งนั้นนะดะนั้นจงพรกการเข้าใจให้เข้าใจในการกระทำในวันนี้ยี่ว่าการทำอุโบสถเป็นเครื่องจ่ให้ตรวจพวกเราให้บริสุทธิ์ซ้อมเพียงกันต้องพยายาม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 นอกจากนี้ยังมีอะไรต่างๆที่อะไรที่ยังไม่พร้อมจะยกขึ้นมาึิษากัาเอากันอย่างไรอย่างนี้ศึกษากันไปเรื่อยๆข้อวัดมันก็ใหม่เอี่ยงเร่อีเหมือนมีดเรารับบ่อยๆมันก็มีคมบ่อยๆถ้าเราไม่รับมันจะเป็นแนี้ อ่งออกหางออกสนิมเป็นแก้วเรือนนั่นก็เข้าข้างสนมเท่นั้นแหละเป็นมิจฉีที่อันนี้เราไปสังฆปงครูกบาอาจารย์มันก็แยกกันออกไปสวดทิฏฐิมันะแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นพูดไปอย่างืนตรวดไปอย่างนึงความเหมือนไปอย่างนึนแยกกันออกไปนี่เพราะอะไรก็ผ่านการประจุมกัน ห่างไปมันไกลไปห่างไปไกลไปอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญไอ้สิ่งที่เราทำคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นสิ่ง ส, สาคัญนะอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่สาคัญอยู่หลายคนที่มีคนเตือนกัคนที่ไม่มีคนเตือนมี่าันมากเลยถ้าจิตใจของเรามาถึงจุดดีนแล้วเนี่ยไปนะให้เข้าใจ ใ, ใ่การทำอโโุโบสถที่มันเป็นแกนกลางของหลักศ า, าสนาพุทธในจี้มันเป็นกินอัน ส, สมบูรณ์ศาสนาจะเสื่อมเสื่อมอะไรก่อนเสื่อมพระวินยัยเสื่อมการรัฐธรรมอุโบสถที่ก่อนก่อนเพื่อน ถ้าพระไม่ทำโอโบสถกันแล้วแยกกันอยู่แล้วนั่นแหละเชื่อมแล้วการทำโอโบสถมันมีสองอย่างการทำโอโบสถอยู่แต่ที่ถูกต้องกับมีที่ไม่ถูกต้องกับมีอย่างการทำโอโบสถ แบบถวดปาฏิโมกก็ดีอะไรก็ดีเรียบร้อยทุกสินเดือนแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระบินายอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นปาฏิโมกอันนี้ก็ไม่เป็นโมตุเชือ่อยแต่เรามาถือเอาการ ก, นนะการะทำนั้นน่ะมันไม่เฉื่อยการกระทำนั้นมันไม่เฉื่อย แต่แกมการมันนนั่นหมดแล้วไ ม, ม่มีไอความหมายมั น, น่ะไม่มีนะแสดงถึงสิบห้าสิบห้าวันมาตออปฏิโมกมาแสดงแต่ว่าในาพระวินัยนั่นน่ะในพระปฏิโมกนั่นขั้นห้ามอะไรบ้างไม่รู้เรื่องทําอยู่ตามเคยนีเนย่เคยทําอะไรก็ทําอยู่ตามเคย เคยเคยกินข้าวเย็นกักินตามเคยเคยขุดบินกัขุดดินอยู่ตามเคยเคยค่าขายอยู่กับฆ่าขายตามเคยเจว๊ว่าแสดงปฏิโมกไม่อยู่ถูกต้องดีถูกทีาาา่าตกรรมเยอะเกินอืเนี่ยเจ๊ว่ากินข้าวเย็นไม่อยู่เจว๊ว่าขุดบิ้นไม่อยู่ค่าขายไม่มอยู่ เล่นนอกที่นอกลอยไม่หยุดทั้งแสดงปฏิโมกก็ไม่หยุดทั้งฝ่าฝืนปฏิโมกก็ไม่หยุดนทำเปล่าทำไปเปล่ า, ท, า, าทั้งนี้อันนี้ก็เดียกว่าหมดหมดปฏิโมกเนี่ยหมดการทำโมโหสถแล้วคือการทำโมโบสถมันไม่เป็นโมโหสถ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 มีจะไปรูปไหนประช่างมันอยูเป็นร่าธรรมดาไม่หรอันีน่ก็เลยวยาไม่ได้ทำปาติโมกข์อย่างนั้นศาสนามันเสื่อมไปเพราะสิตอย่างนี้ทำปาติโมกข์ไม่ครบองค์มันไม่สำเร็จประโยชน์มันเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้ก็ยิ่งจะเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นซึ่งอ่ะมาทำมมบโูชวดันนี้พระก่อยมนยามนะก็พกเงินมาพกปัจจัยมาคนนั้นก็พกมาคนนี้ก็พกมาใช้เงินใช้ทองกันโดยที่ว่า ไม่ได้คำนึงถึงภายในเลยถึงวันแสดงก็จะโมกัดแสดงเนี่ยมันถูกสองทีพระรัาชะได้เกิยอันนี้ก็ไม่เคยประโยชน์ในการแสดงไม่ละทำแต่ว่าไม่ปฏิบัติเอาเที่ยวแต่ว่ามีจิตทำนาแต่ว่าไม่เกี่ยวข้ า, ามมันก็ไม่เคยประโยชน์ในกระเป๋านี้ ดังนั้นคำจริงสรรเสริญว่าการประชุมกันยังนิดน่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักของคตธศาสตร์ศาสนืจเกินอันนี้ขอให้พระสงฆ์เราเข้าใจกันให้เข้าใจพยายามที่สุดคิดแม่ว่ามันนี้ในฟังปาติโมะแล้ว ก็อยาก่าพอใจว่ามันแล้วไปถึงวัดไปถึงที่เราต้องยึดแนวครูวาดมาอ่านอ่นที่มันสงสัยข้อไหนจำไว้มาเรียนครูวาอาจารย์จนมันได้เป็นที่พอใจของเราอย่างนั้นก็รู้จักอาบัตสิเจนอาบัตไหมเรือไม่เจนอาบัตไหมเราปฏิบัติถูกต้องไหมหรือไม่ถูกต้องไหมต้องรู้จักส ถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เอาใจใส่ไม่อึดอื้อมันจะรู้อะไรไม่รู้นั่นทีอว่าไม่รู้ก็ไม่ศึกษาเราจะไปถือว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาต้องฝึกอือันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องปฏิบัติให้เาใจทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ประชุมกันนี่มันมีต้นมีปลาย มัมีพระมีพูดก้าวายกันไม่รู้จักอาวุโสไม่รู้จักพระอนพระเจ้ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักอะไรอะไรทั้งนั้นมันไม่รู้จักเหมือนเหมือนคนที่ไม่รู้จักอะไรถึงแม้ว่ามันย่อหย่อนไในสิ่งทั้งหลายแบบนี้จัญญามรนารยา ของผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ประพฤตปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นที่น่าเลื่อยใสยของครูบาอาจารย์ของประชาชนทั้งหลายควรเราจะตับทั้งพว ก, ก, กของเราทุกคนเพราะว่าพวกเรามากขึ้นาาสกหาทั้งหลายกระจายไปมากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละมีคบ ม, มันไว มันไปคนละทิศมันไปคนละทางเชื่อมในรันอาจจะนั่นสิ่งจร่งวัดประพงนี้มันกว้างจะต้องอาศัยคนพระที่สำคัญอยู่หลายองค์เป็นตรงนี้ผมอยู่ทิ่โบสถ์ผมก็จะพยายามทีสูจนตามคนแก่จะอบรมเ้ืยอสมาธิถึงเวลาทุมให้มารวมกันที่โบสี์ทุกวัน พยายามทุกวันคึกญาติพี่้งนั้นท่านอาจารย์ชูอยู่มีตรงที่ตรงทาให้นำทิ้งเวลาแล้วให้พยายามนำสวดมนต์ทำวัดสุดท้ายโน้นท่านอาจารย์เลียมให้ปฏิบัติเขารวมกันเขารวมกัน ถ้าหากว่ามันขัดข้องอันก็ต้องมีอาจารย์อันนะึ่งนำเข้าไปสองสามองค์ต้องพยายามย้าให้มันขาดพยายามพิถุจะยางพิถีนอกจากนั้นก็มีพระในหลายองค์อะไรช่วยกันช่วยกันและการประชุมกันในเวลาที่มันสําคัญก็ดีว่าพระที่สําคัญนั้ต้องเอาใจใส่เพื่ออะไร เพื่อเป็นตัวอย่างของซะรุ่นรุ่นหลังเนี่ยถ้ายอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่จูงใจกันไม่อบูดกันยกตัวอย่างเช่นว่าตรงๆไปเช่นว่าท่านอาจารย์คล้องอยู่กับผมมานานเไม่ได้โขดเขไม่ได้สว่างล่อยดูนึก่ว่าจะปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่เคยปรับก็อ ย, อยู่ี่ การทำอโบสถก็ดีการบวชน่านก็ดีการประชุมอะไรก็ดีนะมันน่าจะช่วยส่งเป็นหน้าเป็นตาให้เป็นปฏิทิศ ก, กะะุศลกุศลของนวิกาที่เกิดคงจะมาจัดการอันนี้อันนั้นให้เป็นหูเป็นตาแทนครูบาอาจารย์ควรจะขึ้นมาก่อนีน่เรากําลังท่องแคลวกันางไรัว น, นี้อันนี้โอ้บางทีวันอุโบสถจะไม่อยากจะมา บวชหน้ากันนี้ไม่จําเป็นเรอนอนอยู่เฉยๆก็ไม่อยากจะมาเนี่ยมาก็มาเนน่ะชวนเราเสร็จแล้วมาที่ค่ายไม่มีสถานอันนี้ผมว่ามันไม่ดีแล้วมันใหญ่เกินไปมันใหญ่กว่าสงฆ์มันใหญ่กว่าภูบาอาจารย์ปีนี้ผมในตั้งใจแล้วสอนไม่เคยได้ทําอะไรแล้วแต่ว่ายัางอื่นเขาทําดี แค้นหนังสือทำมีถ่ายภาพจะได้อะไรถ่ายหนังชอบใจเขาไม่น่ า, ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญนั่นน่ะมันเชื่อมกันนั้ น, น, นถ่ายจะไรถ่ายหนังถ้าถ่ายอะไรพวกพระนี่จะชอบด้วยพระเรียกเงียนน้อยขอไปเถอเอ อ, เ อ, อผมไม่เคยไปดูเลยมันชอบอย่างนั้นที่เดีกบงคนมันชอบอย่างนั้นผมก็ปล่อยผมก็ดูอยู่เรื่ อ, อยเลยมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันเจริญเกินมากประยุด์นะ อย่าบ่อยข้างนะลูกสงฆ์ถ้าถึงวันที่จะไปสมมติเสมาถึบ้านเมืองขนอกอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครัควรสงจะช่วยกันผมก็จัดให้คณะองค์นั่นธรรมนั้นนั้นช่วยกันทุกก็ไม่เพียไม่เป็นไข้ไม่มีงานจาเป็นถึงเวลาที่จะต้องทากรรมนะ่ะไม่ไปที่เสืนแสดงว่าฉันไม่พอใจสแสดงว่าฉันไม่เห็นด้วย แสดงว่าฉันไม่เคารพในสูงหมู่นี้ไม่เคารพน้ำอาจารย์ไม่บอกเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่งานที่จะประสานการทำเนินการตื่นเต้นสายผมก็ไม่ว่านะวันนั้นผมก็มาทวงผมก็พูดตรงๆไปเลยเนะี่ยเห็นอยู่รับสารภาพของผิดตาไหลอันนี้ผมบอกแคอนั้นะนะแต่ว่า อยูมาสักหนึ่งสี่วันลาไปตูงงอะมนิกีแล้วไ ป, นะไปไตูุงกันเนี่ยก็ไปตูุงก็ให้ไปสงรมีว่ารองไปสิลองไปอยากจะให้ไปเลยตูุงอนะ่ะนอนแค่อยู่ในวัดต้งกบโพงนี่ไม่ไม่ทําอะไรจย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่นินทาท่านหรอกเดี๋ยวว่าท่านดี เขีนหนันสือก็ดีให้ทําอะไรก็ดีนะอย่างแต่ว่าใจมันเป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ให้พระไปทํางานด้วยใครไปทํางานด้วยนะหนีเท่านั้นคุมก็ไม่เข้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ว่าให้โกูกจิดตัวหางง่ายเนาะถ้ามันไม่เต็มดีต้องไปเดี๋ยวถ้าหว่าถ้ายิ ง, ยงนะให้มันถูกเลยถ้ายิงไม่ถูกไม่ยิงก ตปองก็ไปให้มันถูกเปียกเลยถ้าไม่ถูกไม่ยินินสัยสอบเป็นอย่างนั้นบางทีจะเกือนเพราะบางทีเร <c> าอคอยใจติดอผิวกับนี่จอยู่กันไปนานานๆบางครั้งงูโงจนไม่พอใจปะผมนั่นะเรียองอะไรเป็ น, นั <c> ้นเมื่อไรจะทําอย่างนั้นเมื่อไรทำอย่างนี้อ่าก <c> ็มีอกันไ <c> ม่ทํา <c> ใ, ใ, ใ, ใ, ใจเขาเรื่องอันนะี้เรื่อ ง, องพิจารณา เรื่องยิงปุ๊กมันไม่ถูกเลยจะไปยิงมันผิดมันเสียเนือ่อชะลอชะลอไปว่ามันเป็นเรื่องเป้นก็เขาผิดเราไม่ผิดหร้กอะมันมเป็นอะไรบางทีก็ะดึ้งใช้เวล า, นานมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นควรเปียนยนิสัยวันอุโบสถพาะควรใส่ใจทุกคนทุกคน วอนมาตรวจพอนมาทำมาตั้งน้ำใจมาตั้งน้ำขันอะไรก่อนพระเดี๋ยให้ครูวาจันเบาผู้ปฏิบัผู้ปรกรบเห็นไหมยรวดหมดตวดตรงสรนตั้งน้ำนาานในำ้น้ำใจในันเรียบร้อยมันเป็นจิตที่สําคัญจิตจงจะต้องต้องดูแลอันนี้จิตอันนี้ผมอยู่กับครูวาจาันผมคารมมากที่สุด อยู่ก็พาดแก่ๆนั่นไม่ได้ทําก็พลาดแก่ๆผมทํามือเดียวผมะเป็นมันค่านะผมมาเลยมาจัดมาทําทําแล้วมันสบายใจเองมันผองสายใจสบายเลยทําิจแบบนี้เมื่อหมดธุระแล้วบวชอุโบสถตั้งน้ำท้ายน้กสันเสดหาว่างๆแอบแฝงเดินจงกลมอยู่อารมณสบายใครไม่ทําผมก็ตั้งใจไว้แล้ว เด็กนี่จะต้องฟังอันนี้มันต้องเกี่ยวับกาคถูโอบรมดังนั้นให้พักการเข้าใจถ้าหากว่าเราพระที่พระเก่าเนี่ยไม่ชี้ทางบอกไม่เอาใจใส่เด็กมันก็ไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องมันก็ไม่มีใครขาดให้มีในสัปดาห์เยอะๆเลยยังงั้นต้องหาโอกาสกันพระทุกองต้องพยายามฟัง แยาก็ะขอพระอาจารย์ทุกองค์ขอให้เตือนไม่มากก็ต่ำน้อยเรียกเอาเรียกเอาทำอย่างนั้นทำอยานี้เรียกสอนให้รู้จักกันก่อนอันนั้นที่เราได้บอกแล้วเลยสอนแล้วนี่ไม่ทำเนี่ะเป็นเรื่องของกฎคนนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลืเสียหาย อันนี้พวกเราอยู่ไปจะต้องไม่สบายถ้าทิ้งกันนาท่านี้นตอ้องพิจารณาคือหมายก็ว่าคนมีปัญญาเนี่ยมันน้อยสครับคนมีปัญญาน้อยจะดูเอาเถอะคนโง่น่ยมันมากคนมีปัญญามันน้อยเราทําอะไรเห็นเนี่ยอยู่อยู่เขาก็เสือจไม่ชะเรื่องเพราะเขาขเขาไม่ทำเลยเขาสบายนะคนในโลกเปอง อยากคิดอย่างไรที่เราจะต้องทำให้น้อยที่เราจะไม่ต้องทำอันนั้นให้เพื่อนเขาทําให้มากเราจะทำให้น้อยคิดอย่างไอรจะให้มีให้เพื่อนทําเราจะไม่ต้องทำมันก็คิดไปในนี้นี่คนที่เกียเป็ย่างอันนี้ให้เข้าใจผมเคยปรณาที่อยท่ทางลายเพื่อนทางไหนว่าผมเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเสีย ตามองไม่ไปดีความจำไม่คปดีระเดือนผมยอมเสมอมีมนให้ช่วยกันใหเข้ระจถ้าเ ง, งินเสียงหมดเยดูวัดเราที่ไหนที่ไหนเข้ามากันปใจเงินทองฝากมาเข้าโรงครัวฝากมาบำรุงพระฝากมาอะไรต่ออะไรเขาเห็นพระเดือนมัดเราอยู่ในป่า สงบระงับแต่จใจปฏิพุตปฏิวัติใ่ เ, เขาเข้าใจผิดต้องพยายามปรับปรุงตัวเราให้มันดีสึ้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนแค่รู้จักคนไปรักคนไปติดต่อคนด้วยความเสื่อบนั้นอย่าทำ ยายาทับมันไม่ดีหรอกครับไม่ดีทำไปแล้วมันไม่ดีเสียาหายหลายอย่างเสียาหายหลายอย่างไม่ดนะีเราพยายามคอมตัวท่อบตัวในการพูดในการอะไรทุกสทุกอย่าง พยายามพูดตรงไปตรงมาพยายามควบคุมเจ้าของการปฏิบัติพยายามควบคุมเจ้าของจะพูดตรงที่เดิมควรจะทำนี่ควรคว ร, ควรศรรวึกษาตูววาจาร์ไหมท่เดินมอย่างนี้ให้เข้าใจครับให้เข้าใจอันนี้คือพูดให้มันรู้เรื่องกัน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 จะไปบันดาติดบ้างวันจันทร์บ้างไปเวลาเทรายมีใครบ้างถึงเวลาเลยไปไปคอยกันที่ไหนรอท่ากันตรงไหนก็ต้องมันุษย์เคลื่อนกันในย่านหนึ่งๆโอ้ยไม่ไนะ่ายหรอกไปยินสวัสดิ์วันจันทรใครอยาไปเอาข้าวมาคินเมืออะไรก็ไปไปคนเดียวบางคนจะ อ, ออกมาแล้วคนนี้กําลังเข้าไปจะนี วุ่นวายเหมือนต้าสิกีจอกมันขนออกไก่ในบ้านเพาะงี้วายแบบนั้นมันก็ไม่ใช่พระต่จักการจับเวลานนขนาดนั้นยังไม่รู้จักให้เข้าใจทั้งนั้นนี้พยายามควบคุมตัวของเรามอง มันถูกเป้าหมายที่เราจะต้องกระทำมองมองดูระรอบดูครับไรหน้ามามไม่ว่าจะมีอะไรพยายามเถอะพยายามเถอะเมื่อผ ม, มยังมีชีวิตอยู่พยายามเถอะกำลังผมจะช่วยหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังอยู่นี่ สมบูรณ์ไปอยู่บันน้องโกน้อมไปอยู่วัดตะ บ, บุษยอยากให้ปข้จใจกับคู่กับคนให้ปข้จใจอันนั้นมันที่ส อ, องเกิที่ชายแดนต้องไปยยามดูและ เมื่ออยากพบครูบาอาจารย์ก็พยายามมากนานๆก็มาทีมาทำมโบสถกันสักมารวมกันตีะคกนยงตองคืนนะสุไปเป็นเวลาที่เราจะต้องเลยประชุมกันดูเรื่องกันติดต่อกันแลวตอนที่เราอยู่เป็นกลุ่มก้อนก็ระวังหนึ่งฆ่ากันตะกะทันมา บางพระบางมูนก็เคยเข้าไปชอบไปคุยกันคุยเรื่องเรียนสารประโยชน์นั่นแหละคุยไม่ได้เรื่องเลยแล้วย่าหายถ้ากันทุกกามาเราจังคารบท่านมาจากไหนเรายังไม่รู้ท่านก็ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้ท่านจะต้องอยู่กันไปโดยที่เรียกว่าอาคันทุกขารวม อาวาสิกกวัดคนทำอย่างไรให้เข้าใจบางทีกว่ า, ากันตุกาสตั้ง<ม>จรมาแก้ไขกวีภูดีเยชอบใจ<ม>เห็นไหมพระากันตุกาสจีมานที่หนีไปประมาณเกสองอาทิตย์เห็ไหมไม่ยมอยู่วัดแต่ปล่อยทำนีไหมนั่นพระยังไงอย่างี้นะเออ นั่นแหละเป็นนั่นแหละไอคนที่ไม่เคยรู้จัก ม, มันถูกอารมณ์ก็แหน่งจังหวัดนั่นมันสนุกแล้วเกินนั่นนั้นมันสนุกแล้วเกินตรงนั่นมันรวยตรงนั้นมันรวยเขาถวายปัจจัยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแหน่งเขาดีแค่เกินในอาหารที่นั่นดีที่นั่นดีทั้งหมดเลยอยากจะไปไปลเลย เขามาปล่อยอารมณ์แต่ในใจของเราจะไปอยู่นะเขาบาีก็ดีไปบางทีก็ไปเดี๋ยวนะั้นจามไปเลยมาลาคูบ า, าจามไปบางทีก็ลาไปที่ดังกุ๊ปอา่านนี่มีหนังสืออา่านเขียมีแผนที่เลยสปพบกันโน้นเอาอยู่แล้วแน่มันเสียอย่างนี้เลยมันเสียอย่างนี้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 าพิจารณาเห็นมันเสียหายอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเราบวชแล้วอย่างน้อยห้าพรรษาต้องพยายามอยู่ศึกษาพระธรรมนัน ดูแผนที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจินอย่างไรทำอย่างไรตั้งปฏิปทาอย่างไรให้มันดูเรื่องให้มันฉลาดให้มันคุ้มตัวให้เข้าใจ สมัยนี้มันยิ่งระวังหลายบ้านเมืองกระวนกระวายทั้งพระกันตุกะทั้งคนกันตกุกะเนี่ยเราจะต้องระวังตัวอย่าพึ่งไปให้ล้าอย่าพึ่งไปให้สรรเสริญให้ดูให้สะกดรอยที่จับ มันเกิดภัยที่บัตในเวลานี้ ม, ม, มีทางที่อืนดูนทางฝัดใย้มีเพื่อนที่สุมาเล่าให้ฟังมันฝ่ายคงกันข้ามมันมีอย่างนี้ งงจะจกทานเข้ามาอาจารย์ยใหญ่เสียหลายแตกทําลายโดยมากมาเิ็พระมันในใกล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรได้ยอย่างสองมาเป็นทีเข้ามาใกล้พระโดยมากก็เข้ามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเข้ามาเกิดใกล้ ถวายของเกตไกรให้ของเกตไกรเอาอกเอาใจทุกอย่างมันมาเรียบร้อยมันในกล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรได้อย่างสองมาพิธีเขามาใกล้พระโดยมากก็เขามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเขามาใกล้ถวายของเกตไกรให้ของเกตไกรเอาอกเอาใจ พุกอย่างจนมันเรียบร้อยจนมันอยู่มือมันมันพบไปที่ไหนก็ได้เลยนะีน่อันนี้ก็สำคัจจัยนกว่าที่จะธรรมนาจารย์ต่างๆให้ประชาชนเห็นถ้าประชาชนเห็นแล้วมันก็เอาออกไปส่อยเท้าออกไป วัดนั่นเป็นยังไงวัดนี้เป็นเหตุไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันขี้ออกไปแล้เป็นเหตุมันสะท้อนตับมาหาพวกเราพวกศาสนาจะต้องให้นาวางทุก ว, วันมี่ความเสียหายมากเก็ววเหมือนกิเลสเลนนี้ยงใช่ไหมถ้าใครรู้จักเรื่องของกิเลสจะรักษาตัวได้คือความรู้สึกในคิดของเรา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 เราอยู่ร่วมกันจะเป็นจะทําอะไรจะพูดอะไรก็ตามทีเดียวให้มันเป็ประโยชน์อย่าไปพูดสิ่งที่ว่าที่มันเปแบกแยกกันให้เรารู้จักคุ้มครองของเราคุ้มครองพูดยังไงอ่เช่นว่าอาจารย์ชูอาจารย์เรียมเป็นต้น หือผมในนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างขึง้นบางคนมันโกรธท่านอาจารย์เดียบมันไม่พอใจเนี่ยจะมาพูดอาจารย์ครูบางคนก็มันไม่ชอบอาจารย์ครูมันก็ไปพูดในอาจารย์เดียบบางคนเป็นต้อาจารย์ครูเป็นที่อาจารย์เดียมเป็นที่เนี่ยเนี่ยเราเป็นครู ว, ว่าอาจารย์ฟัง ราต้องัดมันขางใไปจเข้าทางโน้นทางนี้เลยนี้พระองคนี้อย่าไปพูดเรื่องอื่นเนรนนี้อย่าพูดเรืองอื่นนี่มไม่ครอาจารย์แตกกันใจมันเข้าไรจ อ, อย่าไปตามมันเลยอย่าไปเสนอเสินเรนมันเี้ไม่ดีดูตัวของตัวนั่นดีกว่า ถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้คิดเราก็เหมือนกันเราจะหวัดมันแค้มันความคิดอย่างนี้เราตัดมันแค่มันในคิดคนก็เหมือนกันถ้าไปพูดเรื่องพูดราวของคนอื่นให้ให้เราความกระตามันไปต่อไปไม่กันนั่งไมได้มันจะนินทาพระเนี่นินทาคููอาจารย์เอ้ไอเธอมันพูดเรื่องคนอื่นนะนะ เรื่องของตัวมันเป็นยังไงเราตัดมันอย่างนี้นนยนอย่างนี้ใจมันเข้าเคยปฏิวัติอยู่กับผมหลายสีไหมนะยกตัวอย่างคือโยมทีที่ว่าตัวพง์มันมีนสิตแลนะ้วเป็นไหใครใครเห็นไหมบางทีคุณเจ้าคุณนายมาเขามาเจ็บใส่มาเป็นทีมป็นอะไรมา เขาจะสังเอาอะไรมาถวายคนพิเศษผมให้เ็าทำไปถวายนมพิเศษถวายอะไ น, นั้นพิเศษไปนั่นนะ่ะนั่นแต่ผมยิ่ยิ่งมาวังเลยนะดูกระเบิดผมเห็นอย่างนั้นอันตรายเลยนะเพราอันตรายเยนะี่ยแต่ในฐานะเขาจะสั่งทํามือนเป็นต้องให้เขาทำนพอทาปุกประกอบผมสั่งเลิกนะทำ น, นั้นเลิกนะในต่อสาระมันพอแล้วเลิก บอกนี่สในวัดเอ็งผมเคยเศร้าทางใครไหมใครเคยมาติดต่อผมไหมคนเก่าคนใหม่ไม่ติดต่ครับผมมั น, ม, นมันไม่ติดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าอะไรคนใดมาพูดเอ๊ยไม่ไป ที่ต้องทําอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่าไปพูดอีกแน่ดีกว่าให้มันแตกให้คนนี้อิจฉานนคนนั้นเห็นคนนั้นอิจฉาคนนี้ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแน่นอนเลยไม่เป็นคำพูดของศาสนาไม่เป็นคํำพูดของนักบวชไม่เป็นคำพูดของพระปฏิบัติให้เข้าใจคนระเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาหา ปฏิบัติเอาอย่างนั้นให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติเนี่ยคนที่พูดมากเนีังขอไปใกล้พูดสองคำสามคํำนี้ไปคำใ น, น, น, นอดีตนะยังขอไปใกล้คนพูดมากคนพูดร้ายมันยัขอไปใกล้ทำในอดีนี้ทำทัน ใ, ให้มันเหลือจากการกรายามหาโอกาสหาเวลาที่จะต้องอเช่นเต่งที่จะนาข้อปฏิบัติของเราให้มันให้มันเชื่อใจเดียวของเลยง่ายๆนะให้มันเชื่อใจเดียวองให้มัน ใอ้มันอ้มันเป็นที่พอใจของเราในการปฏิบัติของเราเราพบแล้ววิยญาถ้าไม่พบร้องตกพยายามให้ิที่เราต้องการสมัยทุกวันนี้มันก็เลยว่ามันยังเดืออนทวัดเราทุกคนคนที่ เหลือที่สงบคนที่อยากที่จะสงนี่จะเกะเข้าเามานคนเข้ามาทั้งหลายจะมาทำตัวสงบตรงนี้เพราะตรงนี้มันสงบก็คือจะมาทำลายที่นี่มันมันวุ่วายกันเองะพูดง่ายะนะต้องรูจักอย่างนั้นใจเราก็เหอนทาเราคิดว่าหม่มันละเห น, น, นื่ตรงนี้ระนั่งแก้ตัวสำคัญแล้วที่เดใหญ่น้ เราจะเห็นตามมันเลยเยออจนกว่าใจมันเห็นพอดีพอดีพอดีที่จะเอามันมันนึกเปลี่ยนพระองค์ น, งนั้นเปลี่ยนเรนนี่แ่ตัวสัาพันธอะระวังไว้มันดีพอคิดไม่ถูกทําไม่ถูกปฏิวัติไม่ถูกนึกไม่ถูกมันชอบพระองค์นี้มันชอบเนนตรงนี้บางทีมันเป็นตัวทีเอาใจไว้หๆมันรักมันมันชอบ ม, มันม น, น, มนี่นี่ก็ไม่ยึดยิดชาติทีเหมือนกัน มันตรงได้มันยกขนาดนี้จะทําไงถ้ามันเกลียดก็ปล่อ ย, ยถ้ามันเกลียดร่างกายมันรัดก็ปล่อยมันรัก็รัเออลองลองดูสิเสียหายให้เข้าใจเรื่องที่ให้เข้าใจเรื่องความพิสูเจ้าของ อ, อย่าไปตามมันดิให้รู้จักมันดิ